50 languages. e o n t y n i n n n a n h a n l e n ดิฉันอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้วนอนมุรุนาวลยุมปอดิเตลเข้าใจพูดไดลดิฉันเข้าใจแล้วเยนกกปุรินดดิดิฉันเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้วเยนกกมุรุปอดัมมุมพูดินดดิ ตอบบดิดล์สลวนบิดดิฉันตอบแล้วนอนบดิดลสนน์ส่วนนนดิฉันตอบคำถามทั้งหมดแล้วนอนเอ็ลล่าเคล็บบี้ขดัดคุนน้มบิดล์ส่วนนนดิฉันทราบแล้วดิฉันได้ทราบแล้วเยนักออดเทริยุม ยานัก อ, อดัดเทรินดั த ดิดิฉันเขียนดิฉันได้เขียนแล้วนอน์อดัยยืดดีกรินนน์อดัยยืดดินิ น, อนอ ด, ยยดนิฉันได้ยินดิฉันเคยได้ยินแล้วยานัก อ, อดกัดเกตกีรดดิยานัก อ, อดัดเกตจะดดิดิฉันกำลังไปรับ ดิฉันได้ไปรับแล้วย ன นัก อ, อดีตคิดเองคุณยานัก อ, อดีดตคิดเองทัดดิดิฉันกำลังนำมาดิฉันได้นำมาแล้วน้องอดีตคนดูบริหารน้องอดีตคนดูบันเดย์ดิฉันซื้อดิฉันได้ซื้อแล้ว นอนอะไรวังคิดเร็นอนอะไรวังยินเน็ดิฉันคาดไว้ว่าดิฉันได้คาดไว้แล้วว่านอนอะไรยึดรับพอคิดเร็งนอนอะไรยึดรับพอจริงดิฉันอธิบายดิฉันได้อธิบายแล้วนอนอะไรวิเล็กิชั่ลคิดเร็งนอนอะไรวิเล็กิชั่นเอ ดิฉันรู้ดิฉันรู้แล้วยันก็ อ, อดุเตริกงยันก็ อ, อดุมุนเบเตริกง